ขอกราบคารวะพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมระสมและขอโอกาสคณะสมและอาเมชียาโยมอาชิมพรนด้วยนะครับขอยกับาวสารอัสุริงก็แนะนำผลให้ พองก็มาอยู่ที่นี่ก็ก็คิดว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะครับก็ไม่ได้อ่าถ้าไม่ได้พบครูบาจาที่ดีอจารไปเผยสางก็ดีหลวงพ่อคำเคียงก็ดีก็ถ้าไม่ได้พบก็อาจจะมันหลนทางไปตลอด ได้มันตลอดชีวิตมันหล่นตางก็คือว่าจมในความทุกข์นะครับไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จกั ก, จกแก้ไขปังหาชีวิตจิตใจเป็นทุกข์ถ้าแก้ไขได้ถ้ามาแก้ไขไม่ได้หรือรักษาความทุกข์ไม่ได้ ก็จับเป็นทุกไปเรื่อยๆ ท, ทุกวันทุกวันมันตลอดชีวิตแต่ว่าโอกาสที่ดีมาอยุดที่นี่ก็ก็ได้รับความอารู้จากครูบาอาจารย์แล้วก็อารมณ์ปฏิบัติดวด้วยตรงแอนได้ พบเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็ปฏิบัติแล้วก็รู้ได้ด้วยตรงแอนเช่นเนแล้วผู้ที่เป็นชาวญี่ปุ่นก็มาที่นี่นะก็ก็บางครั้งก็คนหนึ่งสองคน ได้ทรบาบข่าวว่าเดือนนี้ก็ประมาณวันที่สิบก็คนจะมายี่สิบคนเขามาอยู่ได้ายาอยู่สามสี่วันก็ก็กคนอ่ที่เคยมาที่นี่ทุกๆุกคนก็มันก็ได้ประสบความทุกข์ภระเท้ญี่ปุนช่วง น, นี้ก็ ก็คนที่ทุกข์ก็มากพอสมควรอา่าก็บางกองก็เป็นโรคจิตได้แล้วก็บรรจงก็เป็นฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็ปีหนึ่งก็สามมือนคนทันทัที่ได้ยิงอยากจำไปสามบอกว่าที่เหมือนไทยก็ปีหนึ่งก็สามพันสี่พันคน เขาฆ่าตัวตายต่อปีกันแต่ญี่ปุ่นเามันสิบเท่าแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมันเป็บบละเมือง น, นี่ก็มากกว่าคนไทยนะเป็นสองเท่าประมาณหนึ่งร้อยล้านสามแสนคนก็เลยถ้าเป็นเปรเียบเทียบเป็นอา ก็เป็นประมาณสี่ห้าเท่าก็เป็นคนก า, าตัอดตายมากกว่าคนไายแต่บางคนก็มาที่นี่ก็ก็คงจี้เคยฆ่าตัวตายแต่มันรอดอยู่แต่ว่ายังทุกๆกกเลยหายาห า, าลมงพยาบานกินยาก็ไม่หายก็มาที่นี่ มาที่นี่แล้วก็ได้รู้จากเนี่ยพุทธศาสนาแต่ก่อไม่สนใจแต่มาที่นี่ก็เริ่มสนใจพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าผู้ยังไงเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนี้ก็มีพิธีกรรมเนี่อมากเป็นรักษาสุสามสวดมุมตอมเต็มวัน ของที่ตายมีอยู่แต่ว่าไม่เคยได้พบได้ฝันธรรมะเท่าไหร่ก็เลยมาที่นี่แล้วก็อ๋ อ, าอาฤฤศาสนามันใกล้ชิดกับเร า, าสิ่งที่มีอ่าสิ่งที่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ใจได้ในชีวิตประจำวันได้ แล้วก็รู้จักวิธีการจากออกจากความทุกข์ปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็เร่อมได้เห็นสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วก็รู้จักขอนทางออกจากทุกข์ได้ สวนมาก็ได้รู้ได้ที่เป็นพัเป็นสติปัฐานเป็นเป็นที่ปัจจุบันที่ความอิสระสว่างสวยอยู่ที่จิตใจ แต่กองก็หลนทางก็ไม่รู้จักที่ไม่รู้จักบ้านอยู่ที่ใจแต่ว่าหาเจอ อ, อยู่ที่ใจนี้แหละที่พักผ่นได้ที่ อ, ออบุูนใจได้ก็จะเริ่มที่จะสบายใจขึ้นมันถูกมันน้อยหลงได้ แล้วก็คอยๆรู้ว่าเป็นเอ่อเป็นปัญหามันทุกข์เรารล่นทางอยู่ที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเพราะว่าเรามันเพ่งทุกข์ไม่ได้เห็นทุกข์มันเพ่งกับแห่งนนอังกอรยานจริง แต่กองนี้มันหนนทางเป็นทุกข์แต่ว่าเรามีสติได้ก็เริ่มที่จะผู้เห็นไม่ได้เป็นผู้เป็นได้คนหนึ่งที่เป็นญี่ปุาา่นผู้หญิงคนหนึ่งก็มาที่นี่เขาก็ตอนแรกก็มันทุกข์ใจ เพราะว่าผ้าผ้าจากาคนที่รักก็เลยมันตุกแล้วก็มาที่นี่แล้วก็ก็มีคนหนึ่งที่รักเขาแต่เขาไม่ชอบแต่ว่าก็าเลยเขาก็ ทุกีนี่เป็นว่ า, าประสบกับสิ่งที่ไม่รักที่พอใจมันก็แผ็นทุกแต่ว่าเขาปฏิบัติไปปฏิบัติมาแล้วก็รู้ว่าเออนี่แหละพระพุทธเจ้าผู้จริง เพราะว่าอรรถติจ่าบอกว่าประสบความประสบกับสิ่งที่ไม่รักที่ไม่พอใจนีมันทุกข์แล้วก็ภาพความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์แต่กองฉันก็มันเป็นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เห็นได้แล้ว ว่าเป็นอย่างนี้เป็นเชจนนางเอนเป็นธรรมนี่ก็เป็นเห็นธรรมไม่ได้เป็นธรรมเขาก็เข้าใจว่าเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วก็ปรารถนาสินใดไม่ได้สินนั้นก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเขาก็เข้าใจตอนที่เข้าใจนี่ก็ทุกข์ก็หาย มีแต่ความเข้าใจเป็นเหลืออยู่แล้วก็เขาก็เข้าใจว่าอา่านี้แหละเป็นป่าโดยโย่ออ่าก็ขัน อ, อ่อุปทานขันตาคับขันตา้าเป็นตัวทุกเป็นขันอ์อุปทานนี้เป็น ทำให้เกิดทุกข์จริงๆไม่ใช่เป็นการห้านี้เป็นทุกข์กัรห้าก็เป็นเช่นนั้นเป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นดับไปแต่เราก็พ่าทานแทนกับคํนตั้งห้าแล้วก็ เห็นทุกอันทีอันนี้ก็เป็นเป็นทุก์ถ้าเราเห็นแล้วก็เราก็เห็นท ร, ร ม, มันก็เป็นตนได้ก็เป็นทุกอันเดียวกันแต่ว่ายังไม่รู้จกัก จะไม่รู้จักจะทำยังไงกับทุกข์ก็เป็นทุกข์ได้แต่ว่ารู้จักกับทำยังไงกับความทุกข์แล้วก็ทุกนี้แปลเป็นเป็นปัญญาก็ว่าได้ ทธิจะสามตบากที่ปปัตธเจ้าสอก็สอนเรื่องนี้ที่ตันสำกรมากก็จุดที่ภาษากับเบตนาภาษาทำให้เกิดเบตนาแล้วก็ต่างหา ทให้เกิดประตาหแล้วก็เอ่อที่เวตนาแับต่งางหานี่ก็เป็นจ้องว่างเรารู้เท่ารู้ทันก็แม้ว่าเป็นเวตนาทางกายเกิด ขึ้นเวทนาทานใจมันเกิดขึ้นก็มันก็เป็นแค่เวทนาก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้ไม่ทันก็เป็นตังหาผาทางคอนเป็นทุกข์จริงๆ ถ้าเป็นเบธนาทางกายทังใจถ้าเรารู้มันรู้จักทุกทุกเวธนาก็มันก็เป็นสัญญาได้นะว่าเป็นทำให้ความรู้กับเราได้ เช่งว่ามีคงว่าตาคำอยากอยากถ้ารองรู้ไม่ทันมันแวทธนาก็เกิดขึ้นแล้วก็ต่างหาปัดทามมันก็เป็นความโกรธมันก็เกิดขึ้นความไม่ชอบแล้วก็ ว่าดาต่อตอบทะเลาะกันบันทีก็มันทะเลาะกันไม่ใช่แทนทันว่าใจยันเดียวทันกายตีกันก็มีถ้าถ้าเรารู้เท่ารู้ทันแล้วกเราก็อหยุด หยุดไปได้ไม่ภายถึงตังหาปัดทางไม่กรอดไม่ว่าตามันเลื่อนใหญ่โตได้มันสติก็มันช่วยเราได้ตอนแรกๆรว ก, กเราก็สร้างสติก็ไปพยายาม แต่ว่าสติก็ต่อไปก็ช่วยเรามาเอนแก้รักษาปัญหาอะไรต่างๆได้ความทุกข์ก็มันตอนกก้องได้ก็มันนิดนี้หน่อยๆน่อยแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ ไม่มีสติก็มากขึ้นมากขึ้นเวลาที่ความโกรธก็จากสั้นถึงยาวไปเรื่อยๆยาวๆแล้วก็สิ่งที่มันตอนแรกก็ไม่ก่อยนี่แต่บ่อยๆขึ้นมากขึ้นตันเป็นมันเป็นกัน เป็นนิ ส, สัยทุกเวลาทุกนาทีก็เป็นผูอโมโหหเป็นผูกรอดได้แต่ว่าเราก็ให้เป็นนีสติก็ให้ช่วยเหลือสร้างไปสร้าง ม, มาก็ค่อยๆเบาลงค่อยๆนิดหน่อย ค่อยๆตั้งสั้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็รู้ว่าป้พิจารณาได้ตอนที่เขาว่าดาเป็นอย่างนี้ว่าเราก็พิจารณาได้ว่าเออเราไม่ชอบ สิ่งนั้นถ้าเป็นชอบอะไรตัวเราเนี่ยชอบอยากให้อยากให้เขาทำอย่างนี้อ ย, อย่างนั้นอย่างไงถ้าเขาพูดอย่างนี้อย่างนั้นเราก็พิจารณาได้ว่าเราอยากให้เขาคิดอย่างไงเราก็ดูตัวเองว่าเราก็ อชอบอย่างนี้แหละแล้วก็ชอบคิดอย่างนี้ก็เป็นความรู้แบับตัวเอมมากขึ้นบา น, นทีเราก็มันเรื่องอดีตก็นึกออกความคิดเป็นเรื่องอดีต เต็มจิตภาพก็นึกออกมาบันทีเราทำไม่ดีก็เราก็เสียใจเสียดายเจ็บใจทุกขกเวทนาก็เกิดขึ้นทันทีแต่ว่าเราก็หามีสติมันช่วย ได้แล้วก็เราก็อยอมรับว่าเป็นอาคารของจิตใจที่ระนาดีความคิดมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เรารูทันเราไม่ได้เป็นมันเห็นเห็นได้แล้วก็เราก็ใช้ประโยค มันก็ได้กาใช้ประโยชน์ก็อ่าใคก็ทำอย่างนี้แล้วไม่สำเร็จก็ต่อไปก็ทำอย่างนี้ก็จะได้สำเร็จต่อไปอ่ะนาก็ได้แล้วก็มีข้อมูลจากเรื่องสิ่งที่เป็นอดีต ท่านทำให้สำเร็จอนาคตก็ได้ก็ใช้ได้นั้นเพจทุกข์ก็ก็เราก็เอาทุกข์มาใช้อย่างไงทุกข์ทำให้เราทุกข์มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าทุกข์ทำให้เรา อาเกิดปัญญ า, านักปฏิบัติก็เพื่อที่ใช้เป็นดูจากใช้ความทุกข์เอามาเป็นปัญญาเป็นข้อมือที่มีประโยชน์ต่อชีวิตมาใช้ ามปฏิบัติก็ทุกข์ก็มันก็ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่อโอกาสที่ดีพวกเราก็มาอยู่สุขตโตปฏิบัติทรนมันทุกวันทุกวันก็ ก็เป็นอนิจันต์อนัตตาทุกข์ขันมันก็เป็นไตรลักษณ์ก็เป็นธรรมะมันก็เกิดขึ้นแปลว่าเราก็ใช้ไตรลักษณ์มาได้อนิจจันก็ใช้ได้มีอะไรทุกข์ก็เป็นอนิจจันตเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เ, เราก็ไม่ต้องแต่งทวน อ น, นัต t าก็ใช้ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ไม่มีคนทุกข์มีแต่อาคารเป็นทุกข์มันก็เกิดขึ้นก็เป็นดับไปเป็นธรรมชาติทุกข์ก็ใช้ได้มันก็ทำให้เกิดเป็นปัญญาก็สิ่งที่เป็นอะไรสัมปัตติก็ถ้าเรา มีสติมีปัญญาได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกามวงก็พยายามที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้เห็นอากาศได้พบกับคมได้ดินได้ฟันคา ํารพูดกับใครใครก็เป็นเป็นประสบการณ์และประสบการณ์นี้ก็ครใช้ได้ทุกเพื่อประโยคได้ก็จะเป็นสติที่เราเกิมาให้เป็นผู้ทุกข์ ให้เป็นผู้เป็นให้เป็นผู้เห็นออขอคำสองของพระพุทธเจ้าแล้วก็วกพอของเขียนก็เป็นประโยชน์มากยานยิ่ น, นะครับฉะนั้นขอให้เราก็ปฏิบัติทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆจะได้สติมาช่วยเราปัญญาช่วยเราจะได้มาพรนิพพานในอนาคต เอ่อตอนปัจจุบันอชาตินี้ทุกๆก่องเธอ